ยิ้มเวลาที่คุณมีการกระทบที่ถูกใจสบายหรือที่เรียกว่าครึ้มอกครึ้มใจแล้วคุณทุกๆท่านท่าน หากมันเปลี่ยนแปลงคุณก็จะเกิดทุกข์ทุกข์จากความสุขของคุณนั่นแหละแปลกไหมคะว่าทําไมความสุขจึงเป็นบ่อเกิด กำหนดรู้ฝึกจนเท่าท่านกายใจขณะฝึกจนเท่าทันกายใจคุณจะพบ พระคุณจะรู้ได้ด้วยตัวของคุณเองทั้งอดีต คือมีกายและใจเป็นที่ที่เราจะเข้าไปดูเข้าไปเข้าใจๆไม่ก่อเหตุ ในการดําเนินชีวิตให้เป็นปกติดวงจิตของคุณก็จะมีแต่คิดดีทําดีและ การกํา การกําหนดรู้PI ทันทั้งกายและใจด้วยการฝึกจิตให้เท่าทัน ก่อนที่จะกําเหตุทั้งความคิดและทั้งค่องصلฟัง BUT challah uses ท่านขิดของ 경velop lan?การกําห meter ภาบน ควรคิดปัญญาก็จะรู้แจ้งได้ด้วยตัวของคุณเองว่าสิ่งใดจะก่อสุขมั้ยเหมือนจิตมีที่ปรึกษาปัญญาก็จะรู้แจ้ง 8 ของพระพุทธองค์ อยู่แค่เอื้อมแค่เอื้อนถ้าคุณไม่กล้าเดินแล้ว คุณสงบมากขึ้นทุกน้อยลงสงกมากขึ้นชีวิตเปาบางขึ้นเห็นกับตัว เรื่องของนิดาของนิดาก่อนอื่นขอกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรอาจารย์ปองอาจารย์ละเอียดอาจารย์ ดิฉันคงไม่มีบุญวาสนาที่จะมีโอกาส และจะจดจํามาใช้ในๆที่เกิดขึ้นใน 8 วัน 7 คืนจบลงแล้วทุกๆ ดิฉันจะแปลกใจมากว่าทําไมตนเองคิดได้ยอมได้ๆโดยไม่ต้องฝืนใจหลอกตัว อย่าสงสารใจตัวเองบ้างนะร้ายจนถึงวันนี้ตัวเองอีกเลยสงสารใจตัวเองบ้างอายุ 45 ปีแล้วใจดวงนี้ทนทุกข์ทรมานรับสารพัดเรื่องที่ เป็นที่สามารถแสดงอาการคือร่างกายที่สามารถแสดงอาการมันครว้งฟ้องตัวเองออกมาได้ว่ากําลังป่วยนะใจดิฉันก็คง หลังจากปฏิบัติธรรมกรรมฐานตามหลักสูตรของคุณแม่ ดร. ได้ เกินครึ่งชีวิตแล้วอดอิจฉาเด็กๆที่ได้มีโอกาสเข้า ไม่ 45 ปีกว่าจะมีบุญมีโอกาส เป็น direct experience ไม่มีใครสามารถทําแทนใครได้ต้องปฏิบัติด้วยใจได้เลยและก็ไม่สามารถทําให้เขาเข้า อย่างที่ดิฉันได้ประสบมากับตัวเองแล้วความสุขอิ่มเอิบใจอย่างที่ไม่เคยเป็นหลายๆคนต้องการคําตอบว่าดิฉัน 7-8 วัน เพื่อเพียงไปนั่งๆนอนๆเดินๆและรับประทานอาหาร หน้าจิตใจก็สงบลงอย่างที่อาจารย์บอกว่าอิ่มบุญใสสุขอย่างไรใจก็สงบลงอย่างที่อาจารย์บอกว่า ได้ซึ่งผลสรุปออกมาก็คือว่าตัวคงสอนฉันว่าเองซึ่งผลสรุปออกมาก็ได เพื่อให้ตัวเองได้รับบุญกุศลเลยนอกจากคิดว่าเราไปปฏิบัติแล้วสามีและลูก ได้รับและพบทั้งหลายสิ่งที่ดิฉันได้รับมาแล้วได 45 ปีอย่างล้มลุกคลุกคลานดิ้น ประสบความสําเร็จในชีวิตการงานในระดับ 1ๆตามอัตภาพสามารถซื้อหา แต่เมื่อใดที่ใจเกิดโมหะโกรธหลงไม่ได้ดั่งใจความทุกข์จะเกิดทําไม ยังรู้สึกไม่มีความสุขอยู่ในใจจริงๆได้สักทีสักทีหาคําตอบให้ตัวดีๆมีเงินให้แม่ได้มากพอที่ท่านต้องการเงิน จึงๆไม่ได้ได้ถ้าความสุขสงบใจสามารถหาซื้อได้ด้วยๆแต่คําตอบ ซื้อสิ่งที่ต้องการได้สิ่งแล้วก็หายไปต้องการได้มีความสุขเพียง เปิดร้านอาหารไทยอยู่ที่อเมริกา 24 ปีจนถึงปัจจุบันอเมริกามา 22 ปีแล้ว 22 ปีที่อยู่ที่อเมริกาเป็นการต่อสู้อดทนชีวิตกับงานดิฉันรู้ตัวว่ารับระบุอยู่ แต่ดิฉันไม่ 22 ปีดิฉันเคยมีโอกาสไปวัดไทยไม่ 10 ครั้งและทุกครั้งที่ไปก็คือ ไม่เคยเข้าใจอะไรเกี่ยวกับการไปวัดเพื่ออะไรเลยและไม่เคยเห็นความสําคัญเพราะ ดิฉันเป็นคนดีคนหนึ่งไม่ 6 ปีที่แล้วที่แล้วกิจการหาเวลาให้ตัวเองได้กลับมาถึงเมืองไทยบ่อยครั้งขึ้นความที่เป็นคนชอบอ่านหนังสือที่ทำอยู่ ก็เริ่มมีความสุขกับการอ่านหนังสือธรรมะมากขึ้นจนทุก 30 เล่มแล้วคิดว่าตัวเองรู้อะไร ได้มีโอกาสอ่านหนังสือเรื่องกฎแห่งกรรมเขาพูดถึงการปฏิบัติกรรมฐานว่าเป็นวิธีทํา คือมีปัญหาทะเลาะกับสามีตลอด 20 กว่าแต่ก็มีเรื่องขุนใจแต่ไม่พอใจกันบ่อยครั้งมีเรื่องขุ่นใจเคือง เราลูกเราก็น่ารักลูกชายหญิงด้วยกันลูกเราก็น่า ท่านอยู่เริ่ม 20 ปีแล้วก็ 8 วัน 7 คืนจะทําให้อะไรดีขึ้นก็ เราเคยไปทําร้ายเขาไว้มากชาตินี้เขาถึงมาทํา หลายหลายโดยมีพี่สาววันดิฉันตัดสินใจมาเมืองไทยโดยมี ไม่อยากทนลําบากอะไรเลยจนถึงวันที่นุ่ง ชอบมาก». นึกชมพี่สาวที่พามานึกสมกับผู้มีปุญอย่างฉันพี่สาวที่พามาช่างเลือกคือต้องเพราะถามแล้วอะไรที่นี่บ้าง อยากจะตัดเวรตัดกรรมกับสามีขอ อย, 20 กว่าปีแล้วไม่มีกินนอนใส่ชุดอยอย 8 วันรับประทานอาหาร วันที่หนึ่ง 1 นุ่งขาวผมขาวมาถึงคือทําไมเด็กๆ25 คนคน 30 คนและทําไมการปฏิบัติธรรมน่า สอบถามก็ทราบว่าถามก็ทราบว่าช่วงนั้นเป็นเวลาปิดเทอม ต้องดัดสันดาลจะแต่ก็ช่างเถอะไว้เป็นที่อบรมดัดสันดานลูกหลาน 8 ขวบชื่อภูมิและอายุอยู่ในราว 13-25 ปี อีก 18 คนนอกนั้นก็เป็นผู้ใหญ่และมีคนพิการตา 2 ข้างแถมไม่มีมือใช้มือปลอมวันแรกวันนั้น มองหน้าพี่สาวอย่างหม่นใสดูเธอตั้งอกตั้งใจสวดมนต์อย่างชัดถ้อย ภัตตาหารอาหารกลางวันเป็นมื้อแรกโอ้โหข้าวผัดของโปรดน่าทานมากทุกที่ในบ้านรอจนกว่ามี ก็ต้องรอสวดถวายอาหารพระรออึดอัดมากถวายอาหารพระอวยพรขอบคุณเจ้าภาพอึดอัดยกตักอ้าเคี้ยวกลืน มดทําแล้วถึงจะตักใหม่ช้าๆรับรสไม่กินก็ได้วะอารมณ์เสียมากลุกขึ้นจากโต๊ะอาหารเป็นคนแรกยกไปเททิ้งแล้วก็เดินไปพักบนห้องนอนเกิน โกรธไปหมดโกรธทุกอย่างโกรธทุกคนโกรธวิทยากรว่าเป็นใครกันมาสั่งฉันทํานั่นทํานี่โกรธตัว บวชใจถือขั้นที่หนึ่งง่ายมากและถูกใจปฏิบัติชอบหนอเดินได้ดีมีสมาธิดีมีความสุขกับการเดินไม่เห็นยากเลยการเดินจงกรมขั้น 10 นาทีเกิด เบื่อไม่ซึ่งคิดเอาเองว่าคงหนักหนามั่นคงมากไม่คิดว่าไม่เอาแล้วตัวกิเลสในก็ลืมตาขึ้นทันทีซึ่งคิดเอาเองว่า นี่ยังต้องทนต่อไปอีกตั้ง 7-8 วันไม่ไหวแล้วไม่เอาดีกว่าทุกคนแล้วเวลานั้นลืมความตั้งใจ เข้าเวลานั้นพอลืมตาขึ้นมาหันไปมองคนอื่นๆทุก 8 ขวบที่นั่งอยู่ข้างๆเราถึงเฮ้ยเราไม่อาย 8 ขวบ ทำไมเขาอดทนได้แล้วเราล่ะทำไมเรื่องแค่นี้เราอดทนไม่ได้เกิดละอายใจตัวเอง ให้เพื่อให้เกิดสมาธิจับแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นพองยุบเพื่อให้เกิดสมาธิเราจะไม่ ตื่น 4:30 น. เสียงระฆังปลุกให้ตื่นเพื่อเตรียมตัวไปพร้อมกันที่ห้องปฏิบัติธรรม 5:55 น. แต่ พอชอบเดินแต่ทันทีที่นั่งสมาธิความทรมานจะมาทันทีทั้งทรมาน ไม่ไม่พอใจต้องใช้ใจอดทนกับอะไรเลยไม่พอใจพอใจก็ปล่อยอาการ มีหน้าเล่าเราเรากับสามีถึงได้มีเรื่องทะเลาะกันหนักหนาว่า 2 วันแล้วใจ 8 วัน เราไม่สามารถจับท้องผ่องยุบได้และไม่ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้แต่ความคิดการแก้ปัญหาแบบมีสติเรื่องมันแตกต่างกันของคนคนหนึ่งที่อาจ 3 วันแรกเท่านั้นที่ 4 5 6 7 จะได้รับความสุขที่สุดยอดได้ทุกคนจะได้เหมือนกันขอให้อดทนสุขที่โอเคไหนๆก็ 2 วันทุก 2 วันคงต้อง ทุกอีกแค่วัน 2 วันคงต้องสบายขึ้นแน่นอนปลอบใจตัวเองว่าทนอีกหน่อยอีกนิดเดียวๆเค้าก็ยังทนอยู่ได้เราไม่ได้ก็อาย เรามีหน้าที่ทานเสร็จก็ไปพักผ่อนหรือไปปฏิบัติต่อที่ไม่เคยรู้จักกันเลยไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยก็ไปพักผ่อนหรือไปปฏิบัติ เรา? 7 8 วันไม่มีการพูดถึงกินล้านเปิดให้เราอยู่กินนอนพวกเขาทําทําไม แล้วถ้าถึงวันสุดท้ายไม่มีใครจ่ายเงินเขาก็กินฟีเก็บเงินในอเมริกาทุกคนรับรู้ว่าถึงทุกอย่างต้องแรกด้วยเงินสุดวันที่สองไม่คิดว่า คงและวิทยากรทุกท่านกระแสของความเมตตาของอาจารย์และๆและเราก็เริ่มมองหน้าพี่ แถมเขาก็เคยปฏิบัติมาแล้วยังเสนอหน้ามาอีกแล้วก็ตั้ง กลัวอะไรกันนักกันหนาวันสุดท้ายที่ได้คุยกันทุกคนเขาว่าพี่หน้าบูด ด้วยความร้ายกาจของฉันสิวันที่ 3 เริ่มปลอดอ๋อก็เราเริ่มชินนี่ เป็นธรรมดาธรรมดาข้อสําคัญคือเริ่มนับถอยหลังเหลืออีกแค่ 4 วันก็จะได้กลับบ้านแล้วเริ่มมีกําลังใจดี รู้สึกว่ามีพลังมีอำนาจลึกลับอะไรบางอย่างที่บอกไม่ถูกทั้งที่ใจยังไม่ มันจะไปช่วยอะไรเขาได้จะไปช่วยอะไรเขาได้มันยากที่จะเชื่อได้แต่สิ่งที่ ถ้าเรารักษาศีลนี้ได้เราก็ไม่พูดส่อหรือไม่ต้องตกนรกแน่นอนเรื่อง พอตอนบ่ายอาจารย์ให้แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มท่านเรียกว่าส่งอารมณ์เขาเปิดโอกาสให้โยคีได้สอบถามข้อ เขาหาพองยุบไม่เจอเลย 3 วันเวลานั่งสมาธิเขาทรมานมากเราได้จริงๆคือไม่อยากทํา เลยไม่อยากพยายามทํายังโชคดีที่ชอบเดินจงกรมเราเดินได้ดีมีสมาธิ กับลมหายใจง่ายดีอาจารย์ทำหน้าตกใจอย่าพูดถึงพุทธโทนะคนใครๆด้วยแล้วหลักสูตรของ แต่สรุปคืนที่ 3 นี้นอนหลับสบาย 3 วันโมโหเขามาก วันที่ 4 วันนี้ขอตั้งชื่อว่าวันแม่ตอนนั้นซาบซึ้งมาก ทำให้ได้นึกถึงพระคุณของพ่อแม่มากซาบซึ้งเหมือนไม่ใช่ตัวเองความรู้สึกเปลี่ยนแปลงในใจพระคุณของพ่อแม่เอ๊ะตัวเราเป็นอะไรไปชอบและยอมรับ แอบเราเสียพ่อไปนานแล้วใจว่าเราเสีย 75 แล้วเราเรื่องพระในบ้านโอกาสได้รับคําสอนเรื่อง ที่เคยทําคือให้เงินแม่เท่านั้นไม่เราเริ่มมองเพื่อนได้ว่าใครเป็นใครเร 4 วันนี้กับ อย่างเราชนะใจตัวเองที่ทนอยู่มาได้จิตใจเราอ่อนโยนดีขึ้นเราเป็นมิตรใจตัวเองที่ทนอยู่มาทนไม่ได้ รับประทานอย่างเพราะว่าไม่เริ่มชอบและมีความสุขจริงๆจะกําหนดอะไร วันที่ 5 ความรู้สึกทรมานน้อยลงมากๆตื่นได้ก่อนพระขังจะๆเดินจงกรมโดยไม่อีก 2 คืนก็จะได้กลับจบๆ ถึงแม้วันนี้วันที่ 5 แล้วเรายังจับพองยุบไม่ได้เลยเหมือนเดิมไม่มีสมาธิเลยเวลา ไงเหมือนมีคนมาดึงผงะไปนิดนึงเหมือนมีคนมาดึงก็ได้คําๆเกิดขึ้นเอ๊ะนี่เราได้กับเขาด้วยเหรอ เสียดายเวลาที่ผ่านมา 6 วันๆนานถึง 2 ชั่วโมงเรานั่ง สนุกไปกับการฟังไปกับการต่าง 16 ขั้นที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติกรรมฐานให้ความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราจากการปฏิบัตินั่งปรากฏว่า 9 ญาณคือญาณมวนเออหัวเราะกันใหญ่ แอบบอก 9 เชียวนะนี่เพราะยังไง 1 การอันดับ 2 ส่วนการนั่งสมาธิการ 3 แอบฉันบอกอาจารย์ว่าหนูชอบเดินเดินได้ดีสับตก เลยมีสติเก่งแสดงว่าเจ้าปัญญาเจ้าปัญญาคนชอบเดินเป็นคนฉลาดนะเออนะหรือ เอาล่ะนะก็เริ่มยกไปตักอ่าอมเคี้ยวกลืนลองทําเอ๊ะได้ไม่เห็นยากเย็นอะไรเลยลิ้นก็ยังรับรถอร่อยดีแปลกๆดี สำรวมรับประทานอย่างมีสติกับอิริยาบถรับประทานอย่างมีสติก็ ที่ 7 วันนี้เรียกว่าเป็นวันสุดท้ายเพราะพรุ่งนี้แต่เช้าก็ฉันตื่นมาอย่างสดชื่นบอกตนว่าอยากปฏิบัติหนอจักเดินอยากนั่งสุขชื่นแจ่มใสวันนี้เป็นการปล่อยให้สวดมนต์เองหลังจากที่มาทุกวันปรากฏว่าดิกๆที่เราดู จ้างมาเด็กๆเหล่านั้นท่องจําได้ดีมากๆเราซะอีกร่ําเรียนมาเท่าๆกันแต่จับ 8 วันแล้วแล้ว ได้ๆไม่กี่วันนี่เองกี่วันนี้เองเพราะมัวแต่ต่อต้านไม่สนใจๆชื่นชมทุก อีกๆพอถึงเวลานี้ตัวเราไม่ใช่ๆในนี้ๆคนในนี้เกิดความๆเป็นครั้ง ร่วมสมทบทำบุญกับเจ้าภาพซึ่งร่ำรวยเป็นอภิมหาเศรษฐีอาจารย์เพียงต้องการให้โยคีทุกคนมี 20 หรือ 100,000 ก็มีค่า เข้าใจทันทีว่าถ้าอาจารย์บอกว่าทีได้บุญมากถ้าอาจารย์บอกว่าทํามากได้บุญมากทําน้อยได้บุญน้อยบาทเจตนาว่ามีไว้เยอะเข 8 วันค่าใช้ แต่พอตอนที่เด็กมาบอกบุญพอตอนที่เด็กมาบอกบุญให้ใส่ 5-6 คนเรามองเห็นแต่ใบละร้อยสาธุเราองมยิ้มนิดหน่อยอดคิดไม่ได้ว่ายิ้มนิด ของดีที่ไม่มี 8 เช้าวันนี้วันนี้อดเศร้าใจไม่ เพราะเป็นคืนปล่อยผีทุกคนเก็บข้าวของทุกคนคุยสนุกสนานมีความสุข พบเจ้าภาพหน้าตาอิ่มบุญสวยมากเธอมาเตรียม เค้าจำกันได้ตอนที่เค้ามีสติครบๆถ้าจะพูดกันตามหลักพุทธศาสนาอย่างที่ 8 วัน 7 คืนเราสรุปเอาเองในใจ 12 คนทุกคนสนุกสนานไม่รู้สึกผิดอะไรเลยรู้สึกผิดอะไรเลย เรเราก็แอบพูดกับคนอื่นก็แอบจนวันนี้ได้คิดว่ากับเราคงได้ของดีติดตัวกับบ้านมากกว่านี้แอบเสียใจนิดนิดแต่ก็ให้อภัยตัวเองฟังคนอื่น รับวันนี้กับวันแรกที่คุณเข้ามาคุณจะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเป็นคนใหม่แน่นอนว่าอะไรจะขนาดนั้นนี้กับวันแรกที่คุณๆฉันเออเราเปลี่ยนไปมาก อารมณ์ผ่องใสหน้าตาเขาก็ดีอยู่แล้วผ่องใสสดชื่นคนอื่นๆจะเป็นเหมือน เราถึงชอบหนอชอบที่เราเป็นคนนี้ชอบมากเป็นคนดีจังเลยตั้งใจว่ามายขนาดนี้แต่อย่างไรก็ตาม เออตัวเราคนก่อนคนเก่าก่อนที่จะมาปฏิบัตินี้คนก่อนคนเก่าก่อนที่จะมาปฏิบัตินี้เราไม่ๆคิดว่าตัวเองอ่านหนังสือธรรมะอะไรๆก็รู้หมดแล้วซึ่งความจริงคือโง่มาก ยอมจริงฉันเคยหลงแต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนไปแล้วเคยหลงแต่ตอนออกจากการปฏิบัติครั้งนั้นฉันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไป ตัวเองทุกน้อยลงโกรธน้อยลงทําความดีได้ง่ายขึ้นคนรอบข้างๆเปลี่ยนไปทั้งใจและคําพูดการกระทําทุกอย่าง จับจับสติตัวเองได้ตัวคิดอะไรอยู่ดีหรือไม่ดีใครจะมองยังไงคิดยังไงเองใจเรารับได้หมดว่าทําอะไรอยู่จังว่าเมื่อก่อน 45 ปีทําไม แค่มันเปลี่ยนตัวเราปฏิบัติมาแค่ 7 คืนมันเปลี่ยนตัวเราใจเราชีวิตเราๆสิ่งนี้หรือเปล่าหรือถ้า ที่ไม่มีขายไม่พวกเขาน่าจะได้มีโอกาสมากกว่าฉันที่ต้องนั่งเครื่องบินเกือบแต่ฟรีอย่างนี้พวกเขาน่าจะได้มีโอกาส 20 ชั่วโมงพี่สาวเล่าให้ฟังว่าการปฏิบัติๆไม่มี คนทั่วไปมองไม่เห็นประโยชน์ของการเสียเวลาทำคนคน 29 ปี เขาและตกใจว่าทําไมเขาไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยฟังอย่างตั้งอกตั้งใจและตกใจว่าสามีและลูกสองคนลูกเข 2 อยากให้ทุกคนมีความสุขตอนนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมๆที่พวกเรานินทาว่าเธอปัญญาอ่อน และนึกขอบคุณที่เธอพยายามมากในการๆตลอดเพียงเพื่อให้ฉันได้รู้จักตนเองได้เข้าใจใจของตน มันดีจริงๆนะมีความสุขจริงๆนะรับรองได้ๆนะมีความสุขจริงๆนะรับรองได้ทำอย่างไรพวก ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่จะต้องโกรธที่เขาไม่ ดิปัทมาได้ครบ 1 เดือนแล้วกลับมาอยู่ที่อเมริกาและมาอยู่กับหน้าที่ความรับ ใจสงบสบายจริงๆกลับมาทะพิสูจน์กับสามีเลยเจ้ากรรมในเวรของๆ ให้เราได้ไปเที่ยวเมืองไทยได้ไปพบสิ่งจริงๆข้อ มีความอดทนต่อเขามากขึ้นสามีคงรับรู้ได้ในทันทีถึงการเปลี่ยนไปของฉันการกระทำคำพูดแบบตาต่อตาฟันต่อฟันว่ามาหายไปไหนสามีแปลกใจท่าทีที่ฉันสนองตอบเขาอ่อนโยนจนเขาก็อ่อนตามฉันทำตัวดีขึ้นอยู่ด้วยกันมีความสุขมากขึ้น ฉันขอร้องให้สามีและลูกไปเมืองไทยๆพยายามพูดอธิบายเท่าที่จะทําได้ 8 วัน 7 คืนแล้วเขาทุก ฉันเราจะต้องอยู่กับตัวของเราเองมีสติตัวเองตลอดเวลาพยายามเดินจงกลมเราจะต้องอยู่กับตัวของ คำว่าหนอของอาจารย์ที่ฟังดูตลกดีช่วยไม่แน่ใจเราได้หลาย 1 เดือนรู้ ได้อะไรเยอะมากๆคอยกําหนดรู้ใจตัวเองได้ควบคุมเตือนสติตัวเองได้เวลาที่เกิดอะไรกระทบใจกําหนดทันหยุดหยุดตรง จบเพราะฉะนั้นคําว่าหนอทีเพราะฉะนั้นคําว่าหนอคือรู้แล้วรู้แล้วพอแล้วจบแล้วก็จบความโกรธไป สามารถคุมสติได้ด้วยการกำหนดหนอหนอท้ายที่สุดก็ยัง 7 คืน 8 วันเท่านั้นเท่านั้น จึงได้รับของดีมากขนาดนี้แล้วพวกคุณคุณที่อยู่เมืองไทยใกล้เหลือๆคนไปปฏิบัติแล้วทํา 3 4 5 10 ครั้งทั้ง ทำแล้วทําอีกหรือว่างมากนักตอนนี้เข้าใจแล้วและคิด วิทยากรทุกท่านท่านเจ้าภาพและผู้บริการทุกท่านที่ได้ใดดิฉันขอให้ท่านทั้งหลายได้รับ นิดาพงษ์สารนรากุลประเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวนี้และเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวโน่นและเดี๋ยวนี้คตินี้ฉะนั้นเถียวทุกอย่างสิเดี๋ยวเดียว เพียงจิตเดียวบ่มีเดียวสิ